ที่พิศโนโนะมีคุณยายคนหนึ่งจะไปอยู่คนเดียวบนเขาซึ่งแต่ก่อนก็มีไร่มีนาก็มีลูกหลานอยู่ตตนหลังลูกหลานก็ย้ายลงมาหมดแต่ทำ ง, งานในเมืองก็เหลือแต่คุณย่าคนนี้แต่ชื่อว่าย่ายิ้มหน้าตาเกยิ้มตลอดเวลาเลย อายุ80กว่าพอถึงวันพระแกก็จะเดินลงมาจากเขาก็ย่องก็แย่งมามาถึงวัดก็ประมาณ 7-8 กิโลแกก็มาจำศีลลูกหลานให้เงินทางการก็ให้เงินผู้เท่า500บาทแกก็ ไม่เคยเก็บไว้เลยก็มาทำบุญอย่างเดียวไม่เคยเอาเงินมาใช้ส่วนตัวเลยเพราะว่าแกก็หาอยู่หากินตามตามไรตามนาจำศีลเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เดินกลับวัดเดินขึ้นเขาไปเวลาฝนตกนะแกก็ยังไม่ ก็ยังทำตามกิจวัตรเดิมไม่ได้ย่อท้อนะทางจะลื่นหรือว่าทางจะเฉื่อยเฉยยังไง่ายิมก็ลงมารักษาศีลเวลาขากลับเนี่ยก็ถึงจะแบกเอาข้าวเอาพลิกนะขึ้นไปที่บ้านบางทีก็มีคน เพื่อนบ้านก็เห็นใจนะก็ขับรถขนข้าวขนของแห้งเนี่ยขึ้นไปให้แกแต่แกก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุ ก, ทกเรียกว่าทุกวันศีรวันพระไม่ใช่วันศีรวันพระแกะก็หาเห็ดหาหน่อไม้นะมา หาอาหารก็มีคนถามแกว่าเนี่ยย่าเดินลงมาอย่างนี้เนี่ยเจ็ดตันกิโลร่างกายก็แก่แล้วเนี่ยไม่เหนื่อยเหรอแกก็บอกไม่เหนื่อยหรอกมันเคยเสร็จแล้วแล้วย่าอยู่คนเดียวในป่านี่เกิดเจ็บเกิดป่วยจะนี้จะทํายังไงแกก็บอก มันไม่เป็นอะไรหรอกนะถึงเจ็บถึงป่วยมันก็เคยเสร็จแล้วเราวันไหนลงมาไม่ได้ฝนตกหนักไม่มีข้าวกินทำยังไงแกก็บอกก็หาเือถามมันแล้วไม่ลำบากหรอมันเคยเสร็จแล้วบนะ่อหุงข้าวแกนะมันก็รั่วนะ แกก็ใช้วิธีตัะแทงเอาตะแทงตะแทงหม้อแล้วก็ผงเอาคนก็ถามว่างี้มันไม่ลําบากเหลยนะจะเอาหม้อใหม่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกนะมันเคยเสร็จแล้วนะคือว่าไม่ว่าจะถามอะไรแกแกไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกเป็นร้อนเลยสําหรับแกนี่ไม่มีปัญหาในทักอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคย เ, เสร็จแล้ว แล้วกแกก็ยิ้มนะต่อไปแกก็ยิ้มแกเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่รู้สึกว่าชีวิตมันลำบากอะไรเลย ท, ทั้งๆนีในสายตาของเรามีแกลำบากมากนะอายุก็มากแล้วไปไหนมาไหนก็เดินเอานะไม่ไม่ค่อยมีรถแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยลูกหลานก็อยากจะชวนแม่กลับลงมาอยู่อยู่บ้านนะแกก็ไม่เอาแกชอบสันโดษ เพราะฉะนั้นวันๆนึงแกแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยหรือว่าทั้งเดือนแกก็ไม่ได้ใช้เงินที่ราชการให้ก็มาทําบุญเลยแล้วทำไมแกไม่รู้สึกลำบากนะเพราะแกะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็เคยเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าไอ้ความยากลาบากนี่สําหรับญาญยยินีเป็นของดีเพราะว่ามาเป็นการทําให้แกเคยเคยชิน พอเคยเสียแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่เคยเจอความยากลำบากแนะพอเจอฝนตกทางแฉะมันกลายเป็นปัญหาซะแล้วนะแต่สำหรับญาติยิมนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเคยเสียจแล้วนะอันนี้เรียกว่ามีภูมิต้านทานความลำบากภนะูมิต้านทานความลำบานี้ดีนะมันต้องต้องสร้างนะ และจะสร้างได้นี่ก็ต้องเคยเจอความยากลำบากมาก่อนเมื่อคนเราจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคได้ก็ต้องเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปในร่างกายด้วยการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข้าไปอย่างอตามา น, นี่ก็ได้วัคซีนหวัด 2,012 แล้วดะงนั้นพอได้วัคซีนแล้วก็คือฉี ด, ฉดเชื้อโรคเข้าไปนั่นแหละ เชืโรคหวัด2พ1 2พอร่างการมันเจอเชื้โรคมันก็สร้างปภูมต้านทานมารู้จักแล้วว่าอ๋อไอหวัด2พศ1 2หน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าหวัด2พ1 2เข้ามานี่อัตมาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหวัด2พ1 3มานี่ก็ลําบากหน่อยนะ<ม>ก็ไอต้องอาจจะป่วยได้คนเราทุกคนก็มีภูมิต้านทานหวัด ต, ตัวเก่าๆแล้วทั้งนั้นแหละนะ เพราะว่าเราพอเราเป็นสักครั้งหนึ่งเราก็ไม่เป็นอีกแล้วมันมีโรคหลายโรคนะถ้าเป็นครั้งหนึ่งเราไม่เป็นอีกนะเช่นพวกอีสุตอีไซหรือว่าพวกไข้ทรพิตนยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สูงพันไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าไอ้วันนี้มันพิเศษเพราะว่ามันมันเรียกกลายพันธุ์อยู่ได้แทบทุกเดือนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนี่เราก็ปลอดภัย เด็กสมัยนี้นี่คุณคุ้มกันมีน้อยเพราะว่ารักสะอาดมากสะอาดมากเกินไปนะจะให้เล่นกับดินก็พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้เล่นนะอยู่กับคอนกรีตนะจะทำอะไรก็ต้องมีการรักษาความสะอาดเด็กก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันชนโรค ก, ก็เลยเป็นโรคภูมแิแพ้เยอะรวมทั้งพวกผื่นทอ แล้วก็หลบแพ้โน่นแพ้นี่เดี๋ยวนี้ในเมืองนอก น, นี่เขาเชิญชวนให้พ่อแม่ที่พาลูกเล่นกับดินบ้างนะเพราะว่างจะได้ปุ่มคุ้มกันจากเชื้อโลกที่มันอยู่ในดินอันนี้ความลำบากก็เหมือนกันนะถ้าเด็กเขาเจอความลำบากก็กจะมีปุ่มคุ้มกันความลำบากเจอความลำบากเช่นอนอนบนฟ้านอนบนพื้น นะหรือว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าป่าปาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเพราะว่าเคยเสร็จแล้วอย่างพวกที่ไปเดินธรรมยาตาิราเนี่ยเด็กๆที่มาจากกรุงเทพไปเรียนไปเดินธรรมญาตาิตาซึ่งจัดทุกปีนะปีนี้ก็จัดอีกหนึ่งถึงแธันวาหลายคนพอกลับไปบ้านแล้วนี่พ่อแม่ก็ออกปากว่าเออเด็กเขาแปลกไปเพราะว่าเด็กนี้กินง่าย ก่อนที่กินญ้าเพราะว่าอะไรอะไรก็แม่อร่อยแต่ว่าพอเดินธรรมญาตาเสร็จโอ้สบายนะอะไรก็กินได้เพราะว่าเคยเจอที่ลําบากมาแล้วก็เลยชินกลับมองว่าเออที่บ้านนี่มันอาหารก็ดีอันนี้เรียกว่าเขาผ่านความเคยชินเขามีภูมิคุ้มกันความลําบากวพวกเราคนกันนะนาโตแล้วนี่ก็ต้องเจอความเจอความลําบากเสียบ้างนะมันจะได้มีภูมิคุ้มกัน น้ำท่วมฝนแรงนะเจอบ้างแล้วก็เจอหลายๆครั้งก็ดีอย่างคนสมัยก่อนนี่ก็เจอน้ําหลากนะทุกๆทุกปีทุกปีเขาก็เลยคุ้นเจอน้ําหลากมาเอาสบายตนะัวอยุธยากรุงเทพสมัยก่อนนี่น้ําหลากน้ําท่วมนี่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเคยชินเสร็จแล้วรู้จักปรับตัวแต่พวกเรานี่พอเจอน้นะําท่วมเข้า เรียกว่าประสาทเลยเครียดเลยนะเพราะไม่มีกลุ่มคุ้มกันนะนะไม่มีความรู้สึกแบบย่ายิ้มว่าเนะี่ยเคยเสร็จและนะ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองนะเวลาเราเจออะไรเนี่ยนะเป็นประสบการณ์ที่ลำบากเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นต้นทุนที่ดีเวลาเจอความลำบากก็จะได้บอกว่าเออมันเคยเสร็จแล้วนะแล้วก็ยิ้มได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปอแล้วก็เตรียมประบฟัง